ก็อาตมามีมีปัญหากับกับคอเพราะฉะนั้นถ้าพูดเสียงไม่ดีถ้าฟังไม่ได้ให้แบบทำอย่างนี้ก็จะจะพยายามปรับตัวคืออาตมาจะพูดแบบง่ายๆอ่าคุณมาปฏิบัติก็มี มีอาจารย์มีครูบาอาจารมีพี่เลียงดูแลให้วิธีการและก็สอบประลมทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นคือให้ท่านทำเต็ม ท, ท, ท, ท, ที่อารามจะไม่ได้พูดอะไรเรื่องระดับการเจริญสติเรื่องอ รูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโรคนามโรคอันนั้ น, นก็อยู่กับผู้สอนคอร์สเพรานั้นจะพูดบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์เวลาอารมามาเมืองไทย 38ปีที่แล้วแล้วรมาก็อยู่ในวัดวารามสง ป, สมสปีแล้วก็บูดเกือบ36ิบปีแล้วคือช่วงนั้นเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นจะดีกว่าผู้พิเศษมากเป็นอาจารย์ที่นิธรรมในตัวท่านจริงๆแล้วก็เจอพระ หลายรูปที่เป็นคารยานมิตรแล้วก็อยู่กับท่านและท่านก็สอนสอนเราและก็เกิดความความเป็นไกลชิดเพราะฉะนั้นแต่มีพระสองรูปที่คล้ายกักับเป็นเป็นครอบครัวหลวงพ่อเทียนอาตมาอยู่กับหลวงพ่อเทียนเก่าปี จนกว่าท่านมรณาภาพและก็ท่านเมินเป็นพ่อพ่อแท้จริงของอาตมาก็น่าเสียดายที่พ่อพ่อแม่ที่ให้อาตมาเกิดมันก็ไม่ใกล้ชิดในวิในทางที่ลึกซึ้งเหมือนกับหลงพอเทียน หลพทีนเป็นพอ่พอหลวงพคำเคียนเป็นพี่ชายแล้วก็รู้จักกันนานแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่มีพันหามากๆแล้วก็บงับงเวลาทุกสิ่งสบายกิอยู่ที่นี่ที่สุขโตพระอยู่สัก6รูป7รูปก็สงบมาก เพราะฉะนั้นก็มีหลวงพ่เทียนหลวงพ่อคำเคียนเป็นครอบครัวหลวงพ่อโพชธาหลวงพ่ชาหลวงพ่เทศสมเด็จญาณสังวรสมเด็จวัดสุเครตท่านเจ้าคุณประยุทธ์เป็นคายานมิตรสมัยนั้นมันไปที่ไหนเจอพระเจอวัดก็เป็นเพื่อนกันหมด ในประสบการณ์ความเห็นของอาตมาสังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลง27ปีที่แล้วเป็นโครงการของรัฐบาลสมัยนั้นที่อยากให้เมืองไทยเป็นประเทศที่เจริญดามความเข้าใจของเขาไทยยังนั้นต้องทำให้สังคมไทยเป็นสังคม ท, ทุนนิยม บริโภคนิยมและถ้าเจอส้ำเต็จโดยเฉพาะทำให้สังคมเป็นสังคมบริบรโภคนิยมก็ต้องลดบทบาทของพุทธศาสนาต้องลดอิทธิพลของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนชีทางให้เรามีความสุขกับ ในการกระทําที่ไม่ได้หาความสุขจากบริโภค ก, การบริการบริโภครู้จักเวลาจําเป็นบริโภคเช่นผ้จัยสีอาหารก็รู้จักพอประมาณก็รู้จักพอเพียงแต่ว่าเขาก็ยากมีสังคมที่ไม่รู้จักพอเขาคิดว่าถ้า บริโภคไม่ไม่จบไม่เคยเอิมจะทำให้คนก็เสื่อมากมากคนจะผลิตมากมากสดิกิ จ, จะดีอันนี้ความคิดของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ทำลายพุทธศาสนาจริงๆอรตมาอยู่สมัยนั้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเวลาออกใน ออกในสถานะตะพะกรุงเทพการกระทาของโยมต่อพระภิกษุเ ป, เปลีป่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มบางครั้งแสดงความไม่คารวโดยตรงบางคนเพราะฉะนั้นอาตมาก็ดีใจเห็นคนมาปฏิบัติเยอะๆประมาณสิบหาปีที่แล้ว หลวงพ่อคำเขียนพุดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่านบอกว่าท่านคิดว่าอีกสิบปีหน้าวัดทุกวัดจะต้องมีครอบครัวจะไม่มีใครสายบาทท่านคิดอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้คนสายบาทเยอะอันตาอยู่เชียงใหมเ่เวลาออกปินตทวดากลับมาก็ลำคานก็ป่าเต็มมีทงเยอะแยะ คนก็อยากใสบาตมากๆอาจจะเป็นกามิสัทธาแต่ออามาก็มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เขาก็ใสบาตรข้าววัดทำสังฆทานพราะเขามีความเครียดมากๆเขามีความไม่สบายใจในชีวิตมากๆและเขาพยายามช่วยลดความเครียดลดความทุกข์ กับการใส่บาต์การทำบุญคือจริงไม่จริงอรประมาณก็มองเป็นสังคมที่สาบปีที่แล้วมีความสุขมากกว่าทุกวันนี้ mm. อาจจะเป็นพ0 0เปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้เราก็มีเทคโนโลยีมีอะไรเจริญทางวัตถุมากสะดวกสบายมาก มีความรู้มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรก็อยู่กับโลกทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในโลกเราก็อยู่ระดับนั้นแต่ว่าความสุขที่มาจากสังคมที่มีธรรมะแท้แทอันนั้นค่อยค่อยหมดไปค่อยคอ ย, ค ย, คยหายไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ความจริงเป็นธรรมดาเวลา <c oughs> เวลาพระพุทธเจา้าดื่นตอนแรกเรียกทัศรูท่านก็ตั้งใจจะไม่สอนคนจะไม่พูดกับใครพราะท่านเธอว่าเริงดูกาที่ท่านเจอที่ท่านเห็นและความดักตับดูกาจะไม่มีใครเข้าใจ จะไม่มีใครสนใจแต่ว่าเราก็อ่านในดำรามีพระปรมมาบอกว่าอาให้สอนเธอจะมีผู้มีฝุ่นในตาไม่มากเวลาเขาได้ยินเริงทุกตุกาและความดับตุกาเขาจะข่าวสนใจเขาจะข่าวใจอันนี้เป็นความจริงคือทุกคนที่อยู่ที่นี่ จะเป็นคนที่มีฟุ้นในตาไม่มากไปถ้ามีฟุ้นในตามากไปจะไม่สนใจเข้าวัดจะไม่สนใจปฏิบัติจะหาความสุขกับการบริโภคจะหาความสุขกับสุขเวทนาคงตาหูลินลินจมูกจะหาความสุขกับ หาความรวยหาอำนาจหาเชื้อเสียงที่เป็นธรรมดาของสังคมทุกควา น, นี้แต่ว่าคนที่มีฝุ่นในตาใน ม, มากเขาเข้าใจว่าสุขประเภทนั้นในที่สุดใช่ไม่ได้มันใชยไม่ได้เวลาเราหาความสุขในความ รำรวยในอำนาจในเชื้อเสียงเราก็ไม่ได้เป็นคาลยานค า, าลมิตรกับใครเราจะใช้เราจะใช้คนอื่นเป็นเครื่องเหมอของเราแต่บางครั้งเราจะใช้คนอื่นเป็นเยื่อเราจะไม่เป็นคาลยานมิตรของของคนเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่า ทางไปสู่ความสุขคือพัฒนาด้วยเองเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาเจริญคือคนไทยมักจะเข้าใจว่าภาวนาคือกรรมฐานคือกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งในการภาวนาแต่ภาวนามันกว้างกว่ากรรมฐานแต่กรรมฐานก็จําเป็น ท่จภาวนาคือมันมีสูตรหนึ่งที่พระสารยบุตรสอนการภาวนาการเจริญตัวเองเป็นสีประเภทสีระดับแล้วก็ที่เป็นธรรมดาสมัยพระพุทธการ สารยบุตไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าฉันได้พูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นและพระพุทธเจ้าก็บอกถูกต้องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดอย่างนี้เหมือนกันคือท่านก็เรียกว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาคือ การภาวนาการเจริญตัวเราเป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้เป็นพุทธศาสนาศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเชื่ออละที่ต้องเชื่อรู้เองไม่ได้ไม่ไม่ได้พัฒนาตัวเองทำทำดามคําสั่งแคนั้น คำสั่งของพระเจ้าทำตามไม่ใช่พัฒนาตัวเองไม่ใช่เจริญไม่ใช่ภาวนาเพรนาะฉะนั้นในที่สุดเป็นศาสนาทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องเชื่อฟังคนที่มีอำนาจแค่นั้นพม่พศา ส, สนามันดรงเกินข้ามแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ แต่ว่าในที่สุดราก็ต้องเป็นอาชางของตัวเองก็ต้องรู้เองเห็นเองเป็นเองสอนเองสอนตัวเรากรณนั้นเขาเรียกว่าผู้ชุ่ยชนนี่สองคนสองประเภทผู้ชุ่ยชนกับอริยะคิดว่าคงถ้าบอกว่าทุกคนที่นั่งที่นี่เป็นผูน้ชุ่ยชนคงไม่ผิด คงคงไม่ผิดพลาดเวลาพระพุทธเจาสอนพุทธชนท่านสอนอย่างนี้เวลาสอนอริยะท่านสอนอย่างนั้นคำสอนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาการพัฒนาเจริญทางรังกายทัางศีล ทางจิตเป็นงานของผุทุจน์รการเจริญทางปัญญาปัญญาแท้ๆเป็นงานเป็นนาที่ของอริยบุคคลการเจริญทางร่างกายกายภาวนาไม่ใช่ไปลดความมูลไปยกของนักให้กำเนิดโตไม่ใช่ ไม่ใช่พัฒนาอย่างนั้นแต่เป็นการใช้รูปนีิรูปธิ ร, รีกว่าที่เราสมมติว่าเป็นร่างกายรูปที่เป็นตาหูจมูกลิน้นสัมปัตกับรูปนอกตัวในทางถูกต้องในทางสังสรรค์เช่นใช้ปัจจัยสี่ในทางถูกต้อง ในปัจจัยสี่เพื่อกาเิกรปฏิสังขโยให้รู้จักพอประมาณจะดีกว่าสถิกิพอเพียงก็ได้คือเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนอกตัวไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งวัตถุที่อยู่นอกตัวเรารู้จักการใช้รูปนอกตัว เพอสังสรร์ไม่ใช่เพอหาสุขวิตมาจากสิ่งนันไม่ใช่เพอหาความร่ำรวยเพอหาอำนาจในการใช้รูปนอกตัวหมายถึงต้องเริ่มเข้ารบรูปอันนี้และรูปนอกตัวรูปนอกตัวเป็น รูปของคนอื่นด้วยต้องเขารบเดียนี้เรายังไม่เขารบด้วยเองจริงๆยังไม่เขารบคนอื่นเต็มที่ที่สมบุอันนี้ยังเจริญได้อาจจะเขารบบ้างเขารบนิดหน่อยแต่พัฒนาการเขารบด้วยเองการเขารบคนอื่นการเขารบ ธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเช่นสุนัขที่อาศัยวัดสัตว์ป่าต้นไม้และก็พักพืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของธรรมชาติและก็ศึกษาเพื่อพัฒนาการ เกี่ยวข้องกับสิ่งนา้นในทางสังสรรค์เราจะเห็นว่าการภาวนาถึงภาวนาทางร่างกายระดับร่างกายภาวนาระดับสีลสีลหรือสีโลภาวนาระดับจิตต้องมีสติปัญญาเป็นสติปัญญาของผู้ชุ่มชนแต่เป็นสติปัญญาจริงๆต้องใช้สติปัญญาเพิ่ม ภาวนาได้เพื่อเจริญเพื่อพัฒนาได้เรื่องศีลก็คิดว่าทุกคนเข้าใจซศีลเป็นภาวนาพัฒน า, ฒนาความสามารถไม่ทำลายคนอื่นโดยรังไยโดยวาจาคือให้มีจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและทุก ทุกอย่างที่อยู่ในสังคมให้เจริญทางจริยธรรมจากสิ่งทรรมถ้าเราเจริญทางจริยธรรมสิ้นธรรมก็ไม่ใช่เราจะไม่ได้ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหาความสุขห า, หาอำนาจเราจะไม่ใช้คนอื่นเป็นเยือ่อเพื่อหลอกเขาเพือให้เขามา เจอของที่เราขายเวลาเรารู้ว่าของที่เราขายไม่ใช่ของที่เป็นช่วยคุณภาพของชีวิตของค น, ค, นคือลายอย่างคือเป็นภาวนาทางศีลและภาวนาทางสังคมที่เราอยู่ในสังคมภาวนาทางจิตคือภาวนากับความคิด กับอารมณ์ดิวนี้ความคิดกับอารมณ์ผิดปกติผิดปกติเต็มที่ความคิดก็คิดไปเรื่อยไปคิดตอนเนินกันคิดไม่เจตนาคิดมันก็คิดไปและบางครั้งความคิดมันจะสร้างอารมณ์อารมณ์ดีใจเสียใจนนอยใจอิจฉาโกรธโวยวายกลัวห่วง อันนั้นเป็นจิตที่ิดปกติจิตทิ่ป่วยเพราะฉะนั้นก็ใช้สติปัญญาเพื่อภาวนาจิตคือเรียกว่า ร, รมกรรมฐานกรรมฐานเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องตรงกับการภาวนาทั้งจิตเรื่องภาวนา ทางปัญญาอันนี้เป็นปัญญาของอริยบคคณเราก็ปัญญาอันนั้นที่ออกมาบอกเบอรวานเราก็มีอยู่ต่มันตื่นมันตื่นสนิทเราก็ไม่รู้ว่ามันมนมีอยู่เวลามันขอโทษมันหลับมันหลับนอนมันนอนหลับมันหลับสนิทเราก็ไม่ไม่ไม่มองไม่เห็นไม่ไม่รู้เรารู้ ปัญญ า, าของโลกปัญญ า, าของความคิดและเวลาเราทากำกรรมฐานเราจะค่อยๆรู้รู้จักกับปัญญาของสติปัญญ า, าที่เกิดจากสติแต่อนี้เป็นปัญญาของผุุ้่ชนปัญญาของอรียบุคุลปัญญ า, าที่จะรู้จกักที่จะเห็นดูกาและจะตับดูกาเป็น อันนั้นนอนหลับสิเราก็มองไม่เห็นเราไม่รู้เราจะรู้เวลามันตื่นเวลามันตื่นลุกขึ้นทำหน้าที่ของมันเราจะรู้จักโอ้ปัญญานั้นมันก็อยู่ตลอดแต่มันไม่มันไม่ทำงานคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันตื่นเราก็ยังไม่สั่ง อย่างสั่งไม่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นปัญญาเรียกว่าอริยปัญญายังตื่นไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญสติเจริญสติสมาธิเจริญสติปัญญาคือภาวนาระดับกายภาวนาระดับศีลกับอยู่ในสังคม สังสารการกระทํากับโครงกายสังสารกับการกระทําในสังคมกับคนอืนอ่นนั้นเป็นโลกของสมุติรู้จักสมุติแต่สังสารกับโลกของสมุติและสังสารในการทํากรรมฐานเจริญสติเจริญสติจึงปัญญาเกิดขึ้นความคิด มันจะหยุดปั่งมันจะไม่ต่อเนื่องกันและทำไปเรื่อยๆไปสติมันจะอยู่ยาวยาวขึ้นยาวขึ้นสติมันจะเริ่มติดต่อกันเวลาสติติดต่อกันเขารียกสมาธิอันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าถึงเป็นผู้ชุจุน ถ้าภาวนาตัวเอง <c oughs> พัฒนาตัวเองพัฒนาความเป็นมนุษย์ในที่สุดมันจะถึงจุดที่เราจะเห็นเห็นเหงเห็นงานของมนุษย์งานของมนุษย์ทเรีเอ็กอาริเอ็มมาสแปดเลอมากแปดจะเริ่มมากปเป็นงานของมนุษย์เป็นนาทีของมนุษย์ มากแปดตรต้งแห็นงไม่ใช่ได้ยินคาพูดไม่ใช่อดนั่งเสืออันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อามาใช้ในทุกทกทุกทางทุกวิธีใช้ได้แต่อันนี้ไม่ใช่อริยมากอาริยมารคือเวลาทุกกาดุกกดุกยุดจริงๆรทีนี้ทุกกาไม่หยุด ดูกาทั้งวันทังคืนทุกวิณาที24ชั่วโมงดูกาอยู่ทุกอเวัทนามีบางไม่รีบางอรียกว่าทุกแต่ดูกาแทๆ้ๆไม่หยุดเวลามันหยุดราจะรู้จักทางปฏิบัติแทๆ้ๆอาจจะรู้จักทางทําให้ดูกาหมดไปจริงๆเวลาดูกามดไปจริงๆเขเรียก น, นิพพาน อันนี้เป็นคําก็สูงมากๆพิเศษมากๆไม่ต้องคิดมากเกินนิพพานแต่ท่านก็สอนนิพพานเป็นความสุขสูงสุดเป็นความสุขที่ประเสริฐที่สุดแต่เป็นความสุขอีกคนละอันไม่เหมือนความสุขของพุทธชฌาลแต่ทั้งสอนว่าในการภาวนาเจริญตัวเอง และในการ ก, การทำกรรมฐานในการทำจิตภาวนามันมีความสุขห้าประเภทที่ควรอมัจาชายสร้างในใจของเราและก็พัฒนาให้มันเจริญอันหนึง่งท่านเรียกว่าภาม o c h ะภม o c รู้จักไหมภมชะ h โมด พโมตภาษาไทยพโมจะคือสดชื่นจิตที่สดชื่นที่สดสายเราก็ทาได้ให้เราทาจิตสดชื่นไม่ให้จิตอยู่ในสภาพเศ้าหมองเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเวลาเห็นว่าเราก็อยู่ไม่ค่อยรู้สึกตัวจิตจ ความคิดก็ไปเรื่อยๆไปเราไม่ไดีอยู่กับตัวเองก็ให้จิตใจของเราสดใสสดชื่นดีพอม่จะและก็ใช้จิตสดชื่นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมยาทำกรรมฐานยาเจริญสติกับจิตที่เศ้าหมองเพราะฉะนั้น ห้ายอย่างเราทำโดยตรงไม่ได้เราบังคับใจไม่ได้แต่เราสามารถดังใจให้จิตมีผมพรมจชาให้มันสดชื่น ส, ส, ส, สดสดสดใแล้วก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเวลามันสดใสแล้วมันจะเป็นความสุขอันที่สอง เขาเรียกว่าปิจิพิจิไม่ไม่ใช่ความสุขถึงบาบาโบโบไม่รู้ตัววิ่งไปหัวเราะอะไรตัวอะไรอันนั้นไม่ใช่พจอันนั้นบาอันนั้นวิปัสสนาไม่ใช่ปิจิพิจคือมีกำลังกายมีกำลังใจทำอะไรก็รักงาน การรักงานคือปีจิเวลาเร า, เรารักงานเราก็จะมีกําลังกายกําลังใจแล้วก็พัฒนาถึงมีกําลังกายที่สมบูรณ์กําลังใจที่สมบูรณ์ mm hmm. เช่นเรามีงานกวาดถนนเรากวาดถนนถ้าเรากวาดถนนเพอย์ใจเงินเดิน เราไม่เคยสนใจมันสะอาดแค่ไหนมันสกขภกแค่ไหนเราก็กว้าเฉยๆพอเราทําเพอเงินอันนี้ลราก็ไม่รักงานไม่รักการล้วก็ไม่มีกำลังใจไม่มีกําลังกายไม่มีปีกีแต่ถ้าเราทําเพอให้ทําแบบดีมากๆเพอให้มันสะอาด ารัรับเงินเดินด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งท่านั้นก็อนาคตไม่แน่นอนถึงเวลาเขาอาจจะไม่ายอาจจะไม่ได้ใจไ ม, ไม่ไม่ได้รับเงิน <Okay. S 1> เขาอาจจะหลอกเราแต่เรายังมีความสุขเพราะเราทำเพอให้มีความสะอาดเราทำเพองานเรารักงานอันนี้มีกำลังใจรักงานและมีกำลังใจทำงาน เต็มที่ทำการดีที่สุดกเรีกว่าปีจีเป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อามาใชยเวลาทำกรรมฐานเวลาปฏิบัติไม่รูปแบบและเวลาปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยอันที่สามที่มีพมุจามีปีจีเพื่อนมีพัฒสติ ภาษรีรู้ไหมปาีเป็นภาษาบาลีภราีคือตรงกันข้ามกับความเครียดภาษระะีโกงคลายกงคลายมันตรงข้ามกับความเครียดภาษาอังกฤษจะเรียกว่า relax ถ้า relax น้อยๆเป็นธรรมดาแต่อันนี้มันก็เจริญ ม, มันพัฒนามันภาวนา คำสอนพระพุทธเจา้าทุกสิ่งทุกอย่างเราเอามาใช้เอามาให้มันอยู่แล้วก็พัฒนามันให้มันมากขึ้นให้มันมีมากเรียกว่าภาวนาไม่ใช่มีมีบ้างก็พอคืออันนันไม่ใช่คำคำสอนไม่ใช่การปฏิบัติของพระพุทธเจา้าการปฏิบัติพระพุทธเจา้าคือทําให้มันมาก ให้มีสติทำให้สติมีมากให้มีสมาธิให้มันมีมากเวลามีผ่อนกลายให้มันพัฒนารีแ ล, ล็ก์ลุกลงลุกลงมากขึ้นมากขึ้นสบายมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นก็ช่วยการพฏิบัติกรรมฐานและช่วยในชีวิตประจำวันเป็นความสุข ปเาประเ ภ, ะเภสีสี่ท่านก็ใคสุขะสุขะคือความสุขเป็นความสุขที่ลึกๆเป็นความสุขระดับร่างกายกับจิตใจแต่ไม่ใช่ความสุขที่มากับคงกามไม่ใช่ตาเห็นสิ่งที่มันชอบ ผู้เห็นเสียงที่เพร่ำลินสัมผัสกับของที่อร่อยมันไม่ใช่ความสุขอย่างนั้นเป็นความสุขที่มาจากภมจักรภมิจรภมช ะ, พ, มะพิธีกับพสัสสติมันก็รวมกัน สั่งความสุขคือความสุขที่เป็นความสุขของใจคือใจอยู่ในสภาพสุขความสุขนั้นคือสุขภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจดีเวลาสุขภาพดีเกนดีขึนสุขะดีขึนดีขึ้นและเวลามีความสุขที่ประเภทนี้ความสุขประเภทที่ห้า จะเกิดขึ้นความสุขประเภติหา้าคือสติสมาธิสติสมาธิสมาธิคือเวลาสติติดต่อกันเมืนลูกโซ่ติดต่อกันยาวดีกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามีความสุขสีประเภทอันนี้มารวมกันและพัฒนาจะมีความสุขของสติสมาธิ ความสุขของสติสมาธิเวลาความคิดที่เราไม่เจตนาคิดเกิดขึ้นมันก็อยู่ไม่นานมันสังงส่งหลงสั่งหลงและถึงมันอยู่มันไม่สร้างอารมณ์มันเกิดขึ้นแต่มันไม่มีกำลังเวลาสติสมาธิติดต่อกันต่อเนื่องกันทำให้ความคิดไม่มีกำลัง ที่จะสั่งสมอารมณ์เพราะฉะนั้นแต่ก่อนความคิดเกิดขึ้นไม่คิดอนาคตแต่มันคิดอาจจะคิดว่ามีความจำว่าเมื่อวานคนนี้วิจารเรามีความคิดเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นจะมีความโกยใจความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความคิดอนาคจะเกิดขึ้นแต่อารมณ์ไม่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นความสุข ที่เป็นคุณภาพของชีวิตคุณภาพของตัวเราและเป็น เ, เป็นจิตใจที่ดีมากๆจิตใจที่ดีจิตใจที่ไม่ป่วยแล้วจิตใจที่ป่วยน้อยๆมันยังป่วยน้อยๆเพราะ ความคิดที่ไม่อยากคิดก็ยังมาแต่มันอยู่ไม่นานและมันให้อารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการปฏิบตัติการกระทาของผู้ชุกชุนถึงเราไม่เป็นอริยบุคคลเรายังความสุขของเรายังเป็นดูกาความทุกข์เป็นดูกาความสุขเป็นดูกา ความความทุกข์ที่หลวมพ่อที่ยนชอปอกความทุกข์เป็นดุกะสีดำความสุขเป็นดุกาสีขาวแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็ค่อยๆไปในทางที่จะให้ปัญญาปัญญาที่จะรู้จักดุกาที่จะทำให้ดุกาหยุด เวลาตุกยุทเราก็รู้จักดุกในภาษาดํมราเขาเรียกรู้อริยสัจสี่รู้รูมากแปดสัมปัตเองไม่ใช่คำพูดเห็นโดยตรงและรู้จักนาทีรู้จักการกระทาที่ต้องทำในชีวิตอันนี้เวลาล้ันี่เรารู้วเราเกิดเพอทำอันนี้แต่เ ม, น, มนกับนเหมือ น, นกับเป็นงาน ที่เราทำในชีวิตเราต้องศึกษาก่อนเราอยากเป็นแพทย์ก็ต้องศึกษาในโรงเรียนสิบงปีแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยและศึกษาเพื่อรู้วิธีทําทำงานแพทย์วเวลาศึกษาแล้วเราไปทำอันนั้นเพราะฉะนั้นเ ร, เราจะจัดงานกับทุกเราจะทางานของพระพุทธเจ้าคือทงานที่ประเสริฐ งานดับทุกแก่ทุกลดทุกคือดูกแ์แท่ๆไม่จะทุกข์เวกันะเราต้องศึกษาเพราะฉะนั้นที่เราทำทุกวันนี้เวลามาปฏิบัติในรูปแบบทำคอร์สเป็นเป็นการศึกษาแบบอุกฤตเวลากลับบ้านก็ให้ศึกษาต่อยาทิ้งสติยาทิงสติ ท, สตทำโยกัด ใหกลับมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆทุกวันเวลาแปรงฟันเวลาอับนามเวลาล้งถ้วยล้งชานเวลารับประทานอาหารก็มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หาวันหนึ่งเป็นวันปฏิบัติทามีวันหนึ่งที่ไม่ต้องไปทําการ ไม่มีนาทีที่ยืนให้เป็นวันที่ปฏิบัตในรูปแบบเดินจงกรมสังจังว่านั่งสังจังว่ายืนสังจังว่านอนสังจังว่านั่งสังจังว่าลุกขึ้นสังจังว่ายืนสังจังว่านั่งลงสังจังว่านั่งสังจังว่า เดินจงกรมลุกขึ้นสังจังว่าเดินจงกรมแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างสบายๆให้มีภพมจัปพามัพมจะให้มีพิตีให้มีปัสสติให้มีสุขะให้มีสติสมาธิในตลอดวันนั้นเป็นวันปฏิบัติอาจจะเป็นทุกวันอาทิตย์ หรือวันทย์เดินละคังก็ได้คืออาตมาจะจกกับพูดเร่งพูดยาวยาวมากไปแต่ก็บอกให้พูดเคร่งช่งจะบอกเรื่องเล็กน้อยเรื่องประสบการณ์กับอาชา์เวลาอาตมามาเมืองไทยซีเดินแรกเป็นโยม อาตมาอยู่สูนโมกกับหลวงพ่อพุทธทาดหลวงพ่อพุทธทาดกับอาจารย์โพพูดภาษาอังกฤ ษ, กฤษเป็นปเพราะฉะนั้นอาตมาก็สนทนากับท่านแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก็เกรงใจกับหลวงพ่อพุทธทาดความจริงกลัวหลวงพ่อพุทธทาดเพราะเห็นหลวงพ่อพุทธทาดเป็นวิลักษณะข้ากับไม่มีไม่มีตัวตน เามองว่าไม่มีตัวตเนเป็นสุญญตามันว่างทําให้เวลาไปหาทางไม่มีความรู้สึกว่าท่านเป็นคุณเมินทุกคนเหมือนกับชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอัตมาก็มาปฏิบัติเพราะความจริงเป็นอุบาสิกาอัตมาไม่ได้คิดว่าจะมาเมินทายแต่ว่าลงทางเวลาเดินทางก็ มาเบิงไทยเข้าพั ท, ทยวันที่12 ส, ส, สิงหาเป็นวันเกิดของราชนีเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ไม่มีเงินเพราะธานาคารผิดไปปลีนเงินไม่ได้มีเงินนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคืนคืนรถไฟแล้วก็มีเงินพอที่จะถึงชายาแล้วก็น้องที่ชายาแล้มีคนพาไปู์หมก พออยู่ซนโมกซีเดินแล้ก็ประดับใจเวลาเจอหลวงพ่อพุทธทาสประดับใจกับอาจารย์โพที่เป็นผู้ช่วยหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสเป็นผู้พูดอาจารย์โพเป็นผู้ทาํางานอาตมามองอาจารย์โพทํางานอย่างไรอันนี้เหมือนกับคนที่มีพิธีกับงานเวลานานาธมาก็ไม่รู้คาศัพท์ อาตมาประดับใจเหนอาจารย์โพอาตมาก็สนใจเวลาเห็นแล้วก็เป็นคนราวมนุษย์สามารถเป็นเมืนอนหงพระพุทธธาสสามารถเป็นเมือนอาจารย์โพไม่ต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตแต่ก่อนอาตมา เรียนส่งพอสมควรในมาวิทยาลัยและเป็นอาจารย์สอนที่มาวิทยาลัยแล้วก็คนก็เธอว่าเราเป็นคนฉลาดเขาคิดว่าเราจะมีเชอเสียงเวลาเขียนหนังสือละเวลางานในมาวิทยาลัยก็ค่อยๆมาขึ้นมาขึ้นอาจะมี c ่ r เรียน ที่เราจะเป็นคนพิเศษเราเป็นลูกศิษย์พิเศษของอาจารย์อาจารย์ยายแต่ว่าอาตมาก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอาตมาไม่มีความรู้สึกว่าการสอนอาตมาก็สอนเรื่องพระชยาอาตมาไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้พอในชีวิตอันนี้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์อาตมามีความรู้สึกว่า ควาจริงจิตใจกำลังเสริมอยู่ราะฉะ น, นารมมาก็กเกษียณสอนหาปีแล้วก็กเกษียณแล้วก็ออกไปเดินทางอยู่อินโดนีเซียสอนปีไปมาเมลเซียคิดว่าจะไปฟิลิปปินส์แต่ว่าหลงทางก็มาเมินไทยก็อยู่ซูนโมกอารามาก็ไปพูดกับหลวงพุทธทาสอารมามบอกว่า ที่ยูออสเตรเลียอยู่ในมาวิทยาลัยมีคนคิดว่าอัตมศรเก่งทุกคนนี้ก็เสรมิมากๆคำพูดก็หาไปความจำก็เสริมแต่เวลานั้นพูดเก่งความจำก็ดีก็ปัตมศก็พูดก็มีกำลังมีอะไรก็ดึงคนพราะนักนักศึกษาที่เรียนกับปัตชาหนูเขาจะเปลี่ยนมาเรียนกับอัตมาสมัยนั้น เพราะฉะนั้นเขา้าเข้ารบต่อาตมาไม่เคารบตัวเองอาตมายิง่งเวลา ย, ยิ่งผ่านไปอาตมายิ่งไม่เคารบตัวเองเพะคนอื่นมองใจกล่าวไม่ได้อาตมารู้ใจรู้ว่าไม่มีอะไรที่น้าเข้ารพบนายใจคนอื่นไม่เห็นเพราะฉะ น, นั้นอาตมาก็พูดครับหลวงพุทธทาตบอกว่าอาตมาไม่เข้ารบตัวเองไม่เคารบใจเพราะรู้ว่าใจ มันไม่มันไม่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ยังมีลักษณะเป็นเด็กยังคิดเลยนี่ก็หน้อยใจคิดเลยนั่นก็ไม่พอใจอคิดเลยคนหนึ่งคือห้าปีที่แล้วคนพูดอย่างนี้ก็ยังมีความโกรธเกิดขึ้นได้อนาตมาไม่อยากใครเป็นอย่างนั้นอนาตมารู้สึกว่าเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นธรรมดาแต่ว่า อาตมาก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติกรรมฐานหลวพุทธทาสเคยบอกว่าสุนโมเป็นที่เพยแพรธรรมเป็นที่เพ อ, อปรับปรุงพุทธศาสนาในเมืองไทยที่พุทธศาสนาไปลงกับความงงงายกับไสยศาสตรม์มากๆเพราะฉะนั้นสุนโมไม่ใช่ที่สอนกรรมฐานไม่ใช่สำนัก สอนกรรมฐานแต่อัตมาก็อยู่สนธนากับหลวงพุทธชาติปั้นแล้วก็อัตมาก็บอกว่ายากปฏิบัติกรรมฐานแต่ไม่รู้วิธีปฏิบัติกรรมฐานหลวงพ่อพุทธชาติบอกว่าขอโทษหลวงพ่อพุทธชาติบอกว่าก็มีกุฏิอยู่ในป่าให้เข้าไปอยู่ในกุฏิแล้วก็อยู่กับธรมบธรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และให้ธรรมชาติเป็นอาจารย์ให้ธรรมชาติสอนอันนี้ทุกต้องอันนี้ทุกต้องแต่มันตรงไปบงังงคนบางรูปอาจจะใช้คำสอนอย่างนั้นได้อาจจะเข้าไปแล้วก็รับคำสอนจากธรรมชาติแต่อาตมาสมัยนั้นอาตมาอยู่ในโลกมนุษย์เต็มที่ ม, มีโลกมนุษย์และมีโลกธรรมชาติะโลกมนุษย์แปลกแยกจากโลกธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยู่กับธรรมชาติไปชิดไม่กลัวก็ชอบธรรมชาติด้วยแต่ว่าไม่ได้รับคําสอนมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่โอนกรรมฐาน สามที่เป็นรูปแบบก็ไปเจอหลวงพอ่อหลวงพ่อชาไปเจอหลวงพ่อมหาบัวไปเจอหลวงพ่เทศที่วัดหินมากแป้งกับอยู่สามเดินกับหลวงพ่อเทศท่านก็สอนอนุนปนสัสสติสอนพุทโธก็จะมาปฏิบัติแต่ว่ามันก็อาในทุกเจริญ ก็าาอาธมอามก็ยากพฏิบั ต, ติโดยไม่มีเสียงไม่ไม่พูดลายและในที่สุดนีเพื่อนอาจารย์วีวัตรพาไปเจออาจารย์ลงพ่อเทียนเวลานั้น2523คนไม่ค่อยรู้จักลงพ่อเทียนอาธรมาก็ พูดกับหลวงพ่อเทียนหลวงพระเทียนพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่เป็นอจันทร์วีวัตรเป็นลามแล้วก็แล้วก็คุยการนั่งคุยกันแล้วก็อาตมาก็อธิบายอารมากเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเขารกใจตัวเองไม่ได้ฉันเห็นลักษณะไม่เป็นผู้ใหญ่ลักษณะเป็นเด็กจึงในในสังคมเป็นผู้ใหญ่ ในใจไม่เป็นผู้ย้ายอาตมาเข้าใจว่าความจริงใจก็ป่วยใจเป็นโรคแต่ทุกคนเป็นโรคเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครจะช่วยใจหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะช่วยได้แล้วก็หลวงพ่อแนะนําให้มาอยู่ด้วยกันสามเดินให้บวดมาอยู่ด้วยกันสามเดินเวลานั้นอาตมาก็ไม่อยากบวดอาตมาคิดว่าการบวดเหมือนกับเข้าคุก จะไม่มีเิสรอาอาธรรมก็ฝรั่งก็คิดว่าอิราเป็นยากทำอะไรก็ทำไปอาธรรมก็คิดเมือนกันเพราะฉะนั้นก็คุยกับหลวงพ่อเทียงวันนั้นก็กลับบ้านพักทิบานารน์ทวีวัดก็นอนกลางคืนอาธรรมตัจสินอะไรมีอะไรในตัวเองไม่รู้เป็นอะไรแต่มันเปลี่ยน มาตัดสินว่าจะกลับมาตอนเช้าเจอหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าจะูบูดอยู่กับทางอะไจะไม่ได้บูดอยู่สมเดินแต่จะบูดอยู่ไปเรื่อยๆไปเพราะคิดว่าสามเดินคงจะไม่พอคิดว่าเราก็ใจของเราเหมือนเดิมมันจะมันจะอบรมมันจะปฏิบัติมันจะหัดมันจะให้มันเปลี่ยนไม่ง่าย พอใจมันจะมันจะสู้มันจะพฏิเสธเพราะฉะนั้นก็ต้องใช่นานกว่าสามเดือนเพราะฉะนั้ น, นตั้งแต่เจอครั้งแรกอัตราก็เจออาจารย์ที่เชิดเสียนเหมืนลว ง, งพู่หลวงปู่บาาบัวหลวงพ่อชาหลวงพ่อเทพแต่เวลาเจอกับหลวงพ่อเทียนมันคล้ายกับหนึ่งมีสิ่งที่เราไม่รู้เป็นอะไรแต่คล้ายกับ มีความรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นพอของเราแล้วก็อยู่กับทานจนกว่าท่านมรงณภาพพันสาทีิสท่านเป็นอาจารย์แบบนี้อันนี้อาเป็นตัวยอย่างสง่งสองอย่างตอบคนชอบให้ยาไขอารมาบอกประสบการณ์กับหลวงพ่อเทียนประสบการณ์ที่ลึกที่สุด ส่วนมากก็พูดไม่ได้หรืเป็นเลิศ ส, ส่วนตัวคนอื่นจะมนไม่เหมาะสมที่จะบอกที่จะพูดคนอื่นที่จะบอกคนอื่นแต่ น, นี้สองสามอย่างที่พูดตายพรรษะที่สองพันษาแรกเราไปจำพรรษาที่วัดโมกขอนแกน่นพรรษาที่สองอันมาไปอยู่ในอธรรมบอกอยากอยู่อยู่อ ย, อยู่รูปเดียว อยากจ้าปัสสาวคนเดียวอยู่กับตัวเองถ้ายัางนำตรงไปหาที่ที่ไม่มีใครอยากอยู่ถ้ามีที่ไหนที่อยู่สะดวกสบายจะมีคนอื่นแต่เวลาเราพรรษาน้อยเป็นแต่พันษาที่สองเพราะฉะนั้นไปอยู่ในธรรมในจังหวัดเลยเขาเรียกธรรมโพธิสัตว์ทุกวันนี้อาจจะเป็นที่เที่ยวแต่สมัยนั้นเขา ทำโพลิสต์ก็ต้องเดิน13ช่วโมงเออสิบาบากิโลเข้าทำโพริสัทเพราะฉนารรมาก็อยู่จอมประชารูปเดียวและมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงกลางพรรษาหลวงพ่อจังพรรษาที่วัดโมกกลางพันษาหลว ง, งพ่มงพงพอมาเยี่ยมขับอตร์ไซด์หลวงพอ่อมีคณขับมอเตอร์ไซ์หลวงพ่อนั่งข้างล่าง200รยกิโลหลวงพ่อ มากับมอเตอร์ไซค์สองกิโลมาหาในรรมไปสอบอารมไปปอกอารมณ์อยู่ประมาณสิบานาทีแล้วก็กลับกลับไปกลับไปสองรยกิโล อ, อันนี้เป็นอาจารย์อันนี้เป็นลุมพ่อเทียนทั้งก็เป็นอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คนซูนมากก็ไม่เข้าใจเวลา ญยา่าโยมมาไหวหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนจะไหวอยา่าโยมพระอื่นไม่ทําอย่างนี้บางครั้งพระที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนก็ทําเพราะาทําตามหลวงพ่อเทียนแต่มันไม่เหมือนกันคืออาุมาจําโดยเฉพาะวันหนึ่งที่หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นมะเรง็งเราไปรักษามะเมร็วันนั้นเราไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช่รังสีมีคนเยอะเราก็เดิก็มีผู้หญิงมากับลูกเด็กน้อยอายุประมาณสองขวบครึ่งแต่เวลาเห็นหลวงพอ่อเด็กน้อยก็ยกมือหลวงพ่อยกมือไหวเด็กแล้วก็ทำเวลาคนถามว่าทําไมหลวงพ่อยกมือไหวโยงหลวงพอ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ยกมือไหวคนหนึ่ง หลวงพ่อยกมื่อไหวใจของตนเองใจของตนเองที่มีอยู่นี่ท่านก็รู้เป็นใจที่สะอาดสว่างสงบโดยเฉพาะเป็นใจที่สวัสดสะอาดเต็มที่สงบเต็มที่มันสว่างจิตที่สว่างพวกเราก็อยู่กับจิตที่มืดอาจจะสะว่างนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยสว่าง แต่ว่าหลวงพ่อก็เห็นจิตที่สะอาดสว่างสมบท่านก็เห็นในคนเราอันนี้เป็นจิตเมินปัญญาทิน้นนอนหลับแต่มันอยู่ท่านก็เห็นเพราะท่านแสดงความเคารพท่านไม่ได้แสดงความเคารพถึงทุกข์เลยถึงกิเลสแต่ถึงใจบริสุทธิ์ที่อยู่ในคนทุกคนและก็เรื่ที่สาม มันเกี่ยวกับองกับสิ่งนี้อามาจักรไม่ได้ฟังเทปคงหลวงพอ่พอเพราะอยู่กับหลวงพอ่อคุยกันเต็มที่แต่คุยกันไม่มากแล้วก็อสองปีแล้วก็อยู่ในกุฏิด้วยกันครั้งแรกเวลาอยู่ทับเมงขวามีมกุฏิหล่างเดียวเราก็อยู่อยู่ด้วยกันใกล้ชิดเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเต็มที่ เพราะฉะนั้นีมีทุกวันนี้มีซีดีเยอะแยะอาตมาก็ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคำพูดอันนี้อยู่ในเทปอยู่ในซีดีหรือเปล่าแต่อันนี้ที่หลวงพพูดกับอาตมาอาตมาไม่เคยบอกคนอื่นแต่อาจจะอยู่ในเทปอาจจะอยู่ในซีดีทุกคนอาจจะได้ยินอาตมาไม่สอาแต่เป็นคำพูดที่ไม่เคยได้ยินคนอื่นพูดและมีแต่หลวงพพูด หลวงพ่บอกว่าเวลาเราดับทุกข์จริงๆดูกัดดับจริงๆไม่มีดุกัดนายใจของลายหมายถึงเวลาเราดับดุกัดไม่มีดุกัดในทุกคนสมมติว่าสมมตินะมันไม่ใช่ความจริงแต่สมมติว่าอาตมาดับดุกัดจริงๆอาตมาจะรู้ว่า ไม่มีดูกาไม่มีดูกาที่นี่ผู้นั่งที่นี่ไม่รู้ผู้นั่งที่นี่ก็ยังมีชกและก็ยังไ ม, ไม่ไม่เห็นดูกาตามความเป็นจริง mm hmm. แต่ว่าดูกาไม่มีเจ้าของเวลาดูกาดับไปการเป็นเจ้าของหายไ ป, ปรดังนั้นดูกาไม่มีเจ้าของไม่มีดูกาของราตมาดูกาของฉีดูกาของ มีคนนั้นแต่เวลาเรามีดูกาเราคิดว่ามีทุกของฌันมีทุกของคนนี้มีทุกของท่านนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องรลวงพามขี้นจะบอกแต่เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเดียวเวลาอัตมาบวชกับหลวงพ่อเทียนเราไปบวชที่กรุงเทพพอบวชอีกสามคนไปบวชเป็นคนกรุงเทพเขาก็บวชจําปรรษาแล้วก็จะศึก และพ่อเขาจะบูตเป็นคนกรุงเทพเขาจะบูตขยับจะบูตปฏิบัติแต่พ่อแม่อยากมาการบูต เ, เป็นวัฒนธรรมปราเพนีพาะฉะนันอุปชาคือสยานาดปิกูเจ้าคณะจังหวัดเลยที่เป็นอุปชาขงงรงหลวงพ่อคาเขียงเลยเป็นพระที่ดูแลรักษาหลวงพ่เทียนที่จังหวัดเลยไม่ให้ ทหารไม่ให้ศัตรูไปทำลายหลว ง, งพ่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนยุ่เพาะหลวงพ่อเสียนาตหลงพเสียนาดลงมาแล้วเราไปยืมวัดวัดเพลงบางพลัดแล้วไปบูธที่นั่นสี่รูปแล้วก็ไปอยู่วัดสนามไหนาสามวันก่อนจะคืนไ ป, ปวัดโมกจังปัญชาวันที่สองอาตมาเดินโจงกรม อตอนเย็นมันก็มืดแล้วอันมาเดินจงกรมและก็มีพระอูนุ่นที่มีหน้าตาดีหน้าตาแบบน่ารักยิ้มอันมาไม่รู้เป็นใครท่านก็เดินมาและเวลาท่านผ่านท่านก็บอกว่าอย่าทิ้งสติแล้วก็บอกและเวลาท่านพูดอย่างนั้นอนาจมอามามีกาลัง เกิดขึ้นทางจิตทางทงใจทางกายมีความพิธีอาจจะมาเดินจงกรมจงตองเชา้าจนสว่างมีกำลังใจแต่ก่อนเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงก็เมยข้าเมยรู้สึกร่างกายเริ่มรู้สึกเพลียร์แต่เวลาหลวงพ่อคำเคียร์บอกว่ายาทิ้งสติคๆกัครๆผู้ได แต่เวลารู้พบคำเขียนพูดอย่าทิ้งสติอันทำมามีกำลังกายกำลังใจเดินทงทั้งคืนตั้งแต่ประมาณ2องท่มถึงหกโมงเชา้าและก็สบายมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกว่าการมีอาชารการมีโอกาสปฏิบัติกปบอาจารที่เป็นอาชารที่ จะเรียกถ้าพูดตรงเป็นอาจารย์ที่เป็นอารียจริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยเรามากๆถ้าเรามีโอกาสเจอมันจะเรียกว่ามีบุญบารมีมากถ้าเรายังไม่เจออนาคตคงจะเจอถ้าเราไม่หยุดปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงๆตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติจริงปฏิบัติจังมันจะทําให้ ในอนาคตยังไม่เจออาจารย์ที่เป็นอารีย์ในอนาคตเราจะเจออาจารย์เป็นอารีย์เพราะฉะนั้นธรรมะก็พูดเกินเวลามากก็เป็นคืนสุดท้ายธรรมะเคยอยู่ที่นี่คิดหลายปีก็สองปีอยู่ในสาลานา้ำก็เป็นกุฏิเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่กลับมาก็ยินดีถึงเวลาธรรมาอยู่ก็มีพระ ห้าหกลูกแค่นั้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงมากแต่เห็นคุณสนใจปฏิบัติไม่ทิ้งพุทธศาสนาไม่ทิ้งคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าและพอแม้ครูบาอาจารย์ก็ถึงมันจิตวัดไม่สงบเหมือนเหมือนเดิมอาตมาก็ยินดีมากๆากอาตมาเหี่ยงเพราะฉะนั้นจ ะ, จะขอ อยาขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจให้ทุกคนมีพรรมชาติให้ทุกคนมีพิธีให้มีประสิิให้มีสุขะแล้วก็ให้มีสติสมาธิให้มีสติที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ให้ความทุกข์ทั้งใจลดลงลดลงไปเลยไปก็ อ, อย่างในที่สุด ชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นทางเขาสู่ความสุขอีกประเภทมันความสุขที่เราไม่เคยเจอเรียกว่าความสุขของไม่มีตูกกา